ประชุมพระและคณะมาจากกรุงเทพเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์พศ2506ณวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุรีรัมโดยท่านพระอาจารย์มหาบัวยานสัมปันโนจิตใจของตนของตนนับว่าเป็นผู้หาดใหยะที่จะสละเรล่อเเวลา เป็นโลกเขาเห็นว่ามีคุณค่าแล้วเข้ามาสู่วัดวาอาวาอบรมจิตใจของคนในทางด้านธรรมะโดยเฉพาะฉะนั้นจึงขอขอบคุณและอนุโมทนาเวทนาอันแรงกล้าของบรรดาท่านตั้งหลายที่อิจาสละ ข้งงวามสะดวกสบายเข้ามาสู่สถานที่เแแ่้นกันดานไม่เห็นแต่ความลำบากยากเห็นอันใดมีความมุ่งหน้าจะาปฏิบัติตนเพื่อขจัดสิ่งขัดข้อง ให้หมดไปเป็นลนําดับการก้าวเข้ามาสู่สถานที่นี้ยอมเป็นเหมือนกันกับก้าเข้าสู่แดนนรกเพราะสถานที่นี้ไม่ใช่สถานที่มั่งคั่งสมบูบรณ์บดีบูรณในสถานที่อยู่ อาหารปัจจัยเครื่องช้ไม้สอยซึ่งทั่วไปมีความสมบูรณ์แต่สถานที่นี้กลับตรงกันข้ามกลายเป็นสถานที่ผิดเรื่องเมื่อท่านทั้งหลายได้พิจาล่าเสียสระ ความสุขความสบายเข้ามาสู่แดนแห่งความทุกข์ยากนับ่าเป็นผู้มีความกล้าหาญกล้าได้กล้าเสียต่อความผิดเคียงทุกประเภทอันจะเกิดขึ้นในสถานที่นี้แต่เมื่อเราคิดตามหลักธรรมที่แท้จริงแล้ว องสมเร็จพระภูมิพระภาคเจ้าข้อดีสาวกของพระพุทธทเจ้าข้อดีปรากฏว่าเล็ดลอดจากความทุกข์ความทรมานทุกทุกอย่างที่จะปรากฏขึ้นให้พระพุทธทเจ้าได้ทรงประสบและสาวกทั้งหลาย จะต้องประสบเช่นเดียวกับพระองค์ท่านความทุกข์ทุกเพื่อความดีทุกเพื่อการปลดเครื่องสิ่งขัดข้องอันจะเป็นธรรมชาติจิขวางทางเดินของเราเป็นทุกข์ที่พระพุทธเจ้าทรงสัเสริน ทุกประเภทที่เราตั้งหลายได้ผ่านมาและปรากฏอยู่ใน บ, บัตรนี้คือทุกเรื่องความอดทน่อการขบการฉันอดทนต่อความภาคความเพียรอดทนต่อความลำบากที่จะมาเป็นอุปสรรคแก่การดำเนินความเพียรของเรา ทุกเหล่านี้พระพุทธไทยเจ้าและสาวกได้ทรงผ่านมาจนเพียงพอแล้วก่อนหน้าที่จะได้เป็นพระพุทธไทยเจ้าศาสดาเอกของโลกเป็นสงสาวกของพระพุทธไทยเจ้าเป็นสรณ ะ, ะของประชาชนล้วนแล้วตั้งแต่ เป็นผู้ที่เล็ดลอดมาจากความทุกข์ความลำบากแสนสาหัสด้วยกันเป็นจำนวนมากฉะนั้นเราทั้งหลายพึงน้อมเอาอพระพุทธเจ้าและบรรดาพระสาวกมาไว้ที่จิตใจเพื่อเป็นเครื่องพยุงจิตใจของเราให้มีความห้าวหาญต่อ การประกอบความเพียรจะถึงแดนแห่งความพ้นทุกข์เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและสาวกท่านโดยไม่ต้องสงสัยความเป็นพระพุทธเจ้าเป็นขึ้นมาด้วยความขยันหมั่นเพียรความอุตสาห์พยายาม ไม่ทรงเห็นว่าความขี้เกียจที่คร้านความท้อแท้อ่อนแอว่าเป็นทิ่มงคลแต่พระองค์ท่านนอกจากจะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะเสริมวัตตะความหมุนเวียนไม่มีเวลาหยุดยัง้งดังที่โลกทั้งหลายเป็นกันดีเท่านั้น การฝึกหัดเบื้องต้นยอมมีความลำบากทุกกรณีต่อเมื่อได้มีความเคยชินเพราะการทำเสมอสิ่งที่ลำบากเหล่านั้นก็จะกลายเป็นความง่ายความสะดวกขึ้นมาจิตการภายนอกเมื่อยังไม่เคยกระทำ แม้งานชินเล็กๆน้อยก็ยังรู้สึกลำบากต่อเมื่อมีความเคยกินแล้วงานชินนน้นั้นๆก็กลายเป็นความสะดวกขึ้นมาการพึ่หัดอบรมจิตใจก็มีลักษณะเช่นเดียวกันใจตามธรรมดาย่อมมีความพิดความปรุงอยู่เสมอจะให้ดูเฉยๆไม่ได้ ลักษณะของใจเจ้ายอมอยู่กับเรื่องเสมอไปไม่เรื่องอดีตก็ต้องเป็นเรื่องอนาคตไม่เรื่องดีก็ต้องเรื่องชั่วเป็นคู่เคียงของใจอยู่เช่นนั้นไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าบุคคลยอมมีเรื่องเป็นคู่เคียงของใจเสมอไป เบื้องต้นพระพุทธเจ้าก็ดีสาวกก็ดียอมเป็นคู่เคียงกับเรื่องเสมอเช่นเดียวกับพวกเราทั้งหลายที่เป็นอยู่ในบัดนี้แต่เพราะความเชื่ยวฉลาดเพราะอำนาจแห่งความปตสาพยายามของพระองค์และสาวกท่านยอมฟันฝ่าเรื่องทั้งหลาย ไปได้โดยลำดับลาดับจนปรากฏเป็นผู้หมดเรื่องเรื่องที่จะให้เกิดแจเจ็บตายย่อมเป็นเรื่องมาจากใจที่ก่อกังวลขึ้นกับตัวเองเกิดขึ้นจากเรื่องรักเรื่องชงังซึ่งฝังอยู่ที่หัวใจและระบายออกไปสู่ทางด้านวัตถุและอารมณ์ ผลก็ปรากฏเป็นที่รุ่มร้อนและทําใจให้ได้รับความไม่สะดวกหมุนอยู่เช่นนั้นฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงเป็นไปด้วยความเกิดตายโดยทั่วหน้ากันต่อเมื่อพระพุทธเจ้าได้ทรงบาเพ็ญ ในทางดีมีขันติบรารมีเป็นต้นจนเกิดความสามารถแจ้วกล้าทำระเรื่องทั้งหลายออกจากพระไทยให้หมดสิ้นไปแล้วนั่นแหละคำว่าพุทธโธจึงปรากฏเด่นขึ้นในพระไทยของพระพุทธเทจ้าอย่างเต็มดวงเป็นอันว่า พระองค์เจ้าได้ตัดขาดแล้วจากเรื่องทั้งหลายทั้งเรื่องอดีตทั้งเรื่องอนาคตแม่เรื่องปัจจุบันที่ปรากฏขึ้นโดยเฉพาะพระองค์เจ้าก็สทรงทราบและไม่ติดมั่นในเรื่องทั้งหลายเหล่านี้สามกท่านก็เป็นเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นจิตของพระพุทธเจ้ากับจิตของของพระสามกท จึงเป็นจิตที่ไม่มีเรื่องดยู่ตลอดเวลาเรื่องเกิดจะเจ็บตายก็ต้องเกิดขึ้ น, นจากใจดวงเียวเพราะเหตุแห่งการหมดเชื้อที่จะก่อให้เกิดเรื่องไม่มีในพระไตรของพระพุทธเจา้าและไม่มีในใจของสาวกแล้วพระพุทธเจ้าและสาวกจึงเป็นผู้หมดเรื่อง เมื่อหมดเรื่องในปัจจุบันนจิตแล้วเรื่องเกิดเกิดตายตายที่จะหมุนเย็นไปในการข้างหน้าที่เรียกว่าเรื่องอนาคตก็หมดลงเพราะปัจจุบันบริสุทธิ์ขอให้เราทั้งหลายได้ทราบไว้อย่างนี้เรื่องของจิตนี้เป็นเรื่องมากมายเรามาอบรมจิตใจเบื้องต้นจึงเป็นของลำบาก แม้จะยำลาบากยากเห็นสักเท่าไรอย่าพึงเห็นว่าเป็นสิ่งที่จะเหลือวิสัยของตนที่จะพึงบำเพ็ญให้เป็นไปนตามแนวทางของพระพุทธเจ้าและคว้าเอาผลคือมรรคผลนิพพานขึ้นมาครองเป็นสมบัติของตนอยากเพื่อการดำเนินในทางที่ดีไม่จัดเป็นการ เสียเวลาเวลาไม่เสียกําลังบางชาไม่ปราบจากประโยชน์ใดๆทั้งนั้นในขณะเดียวกันผลที่จะพึงได้รับยอมเป็นเครื่องสนับสนุนจิตใจของเราผู้เป็นเจ้าของแห่งงานเป็นลำดับลำดับจนกระทั่งถึงถึงจุดหมายปลายทางคือความหมดเรื่องในทางใจตามพระองค์ท่านได้ นี่คึงทราบว่าเกิดมาจากความลำบากในเบื้องตน้นจิตจะให้อยู่เฉยเฉยยอมเป็นไปไม่นานเพราะฉะนั้นเราผู้ฉล า, าดต่อจิตใจของเราจึงหางานที่ดีให้ใจทำเพราะใจมีหน้าที่อันเดียวเมื่อได้มีงานหนึ่งทำประจำใจแล้ว งานที่สองย่อมไม่มีเช่นเดียวกันกับเก้าอี้ตัวเดียวเมื่อคนหนึ่งนั่งแล้วแม้จะมีสองคนคนหนึ่งก็ต้องยืนจะนั่งเก้าอี้ตัวเดียวด้วยกันทั้งสองคนไม่ได้ลักษณะของใจก็เช่นเดียวกับเก้าอี้ตัวนเมื่อในคิดอารมณ์อันใดขึ้นติดใจแล้วอารมณ์อื่นจะคิดขึ้นมา เป็นอารมณ์ที่สองซ้อนกันไม่ได้นอกจากว่าใจจะยุติในอารมณ์นั้นแล้วคว้าอารมณ์อื่นขึ้นมาเท่านั้นไม่มีอันใดการอบรมจิตใจของเราเรียกว่าหาภาระที่จะเป็นประโยชน์ให้จิตทำเมื่อจิตได้คิด ในทางใดแล้วหน้าที่การงานของจิตนั้นย่อมเป็นสิ่งสัมพันเกี่ยวเนื่องกับจิตเสมอไปเว้นเสียแต่ว่าเราเผลอสติหรือเรามีความจงใจจะคิดในเรื่องการงานหรืออารมณ์อะไรอีกเท่านั้นจิตจึงจะเปลี่ยนจากงานนั้นแล้วเข้าไปสู่งานอื่น เบื้องต้นต้องฝึกหัดถึงจะหนักบ้างแรงบ้างเราก็ทนต่อความลำบากเอาบ้างเป็นการดีและงานหนักที่เราทำอยู่ในขณะ น, นี้ไม่ใช่ว่าจะมีความหนักหน่วง หรือเกินภาระของเราเสมอไปยอมจะมีการผ่อนหนักผ่อนเบเาเช่นเดียวกับคนที่ทำนานในงานแล้วแม้งานชิ้นที่เคยทำก็รู้สึกเป็นความสะดวกขึ้นมาในลักษณะของจิตก็เช่นเดียวกันจิตบางตนที่ยังไม่เด็กเคยอบรมหรือยังไม่เคยมีความสงบ ยอ ม, มาเห็นคุณค่าแห่งความสงบความภาคเพียรจึงมีกำลังน้อยต่อเมื่อได้รับความสงบเมื่อใดใจจะเห็นคุณค่าแห่งความสงบแล้วเพิ่มกำลังความเพียรของตนนั่ น, นแหละความสงบก็จะมีกำลังมากขึ้นมา ความสบายก็จะปรากฏขึ้นที่ใจของเราต่อจากนั้นก็เรียกว่าคนรู้เรื่องของงานแม้จะหนักเบาไปบ้างก็ไม่ทอดทุระเพราะเห็นช่องทางที่จะสำเร็จพระพุทธทเจ้าท่านตรัสรู้ก็ดี สาวกกรับรูก้ก็ดีเราอยากขาดหมายให้ไกลไปจากองค์แห่งอริยสัจคือทุกสมุทัยมีรสมากซึ่งมีอยู่ในกายกับใจของเราพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ที่อินเดียก็ตรัสรู้ในองค์แห่งอริยสัจซึ่งมีอยู่ในพระกายและพระไทยของพระองค์ท่านและสาวกทั้งหลาย ต่างแต่สถานที่ท่านอยู่เท่านั้นแต่หลักแห่งธรรมแล้วเป็นอันเดียวกันกับเราซึ่งพิจารณาอยู่นับัดนี้คำว่าทุกข์พระพธิจ้าก็พิจารณาเรื่องทุกข์ที่มีประจำสัตว์แตสังขารภายนอกบ้างภายในบ้างคำว่าภายในหมายถึงทุกข์ในพระกายและพระไทยของพระโอษ์ เรื่องสมูทายเรื่องเสริมทุกข์หรือบ่อกเกิดแทงทุกโรดได้ทราบว่ามีอยู่ที่ใจของเราทุกทุกท่านไม่ได้อยู่เพียงประเทศอินเดียประเทศเดียวเท่านั้นมีอยู่ทั่วทั้งโลกสงสารอันนี้ ใครน้อมเข้ามาพิจรารณาในตัวของใครผู้นั้นก็มีอริยสัจขึ้นมาทุกโปรดได้ทราบว่าประกาศดูในกายในใจของเราทุกๆเวลาที่เราอุตส่าห์ละมาจากบ้านจากเกือนของเรามา บวชเป็นขีเป็นขาวเป็นอุบาสกอิจารเป็นพระเพ็ญเนมรุก่เนื่องจากว่าเราได้มองดูเรื่องของทุกข์เห็นว่าเรื่องความทุกข์นี้เป็นสิ่งที่ทรมานแก่ตัวของเราแล้วเราก็หาเครื่องแก้ทุกข์สแสวงหาเครื่องแก้ทุกข์เราจึงได้อุตสาหสละจากบ้านจากเตียง มาบวชหรือมาปฏิบัติทำตามกำลังความสามารถของตนนั่นเป็นทุกพิจารณาทุกประเภทนะี่ยทุกประเภทที่มีประจำอยู่กับเราขณะ น, นี้คือทุกที่มีอยู่ในกายมีอยู่ในใจของพวกเราทั้งหน แต่เพียงว่าทุกนี้ไม่เมื่อปรากฏขึ้นมาแล้วไม่เป็นตัววัตถุซึ่งพอที่เราจะเก็บหรือขนมากองไว้ถ้าเป็นอย่างด้านวัตถุแล้วเรานํามากองไว้เมื่อทุกชิ้นไหนปรากฏขึ้นก็เก็บมากองไว้กองไว้แล้ว แทนดินพื้นนี้จะไม่มีที่ไว้วางทุกเลยเฉพาะเรื่องทุกขของบุคคลผู้เดียวเท่านั้นหาที่ไปที่มาไม่ได้จะเต็มไปตั้งแต่ท่อนแห่งทุกเหมือนกับท่อนไม้ท่อนซุง ม, มองดูจริงๆแล้วล้วนแล้วตั้งแต่ท่อนไม้ท่อนซุงซึ่งเป็นตัวทุกขออกไปจากตัวของเราคนเดียวเท่านั้นเกือนอากาดไปหมด หาที่ไปที่มาไม่ได้และทุกของคนอื่นไม่ทราบว่าเขาจะขนเก็บไปไว้ที่ไหนทพราพื้นดินผืนนี้ทั้งผืนเป็นที่เก็บขอนสุงคือกองทุกที่เกิดขึ้นจากตัวของเราเสียหมดแล้วแต่นี่เพราะเหตุใด แทนดินนี้จึงพอไปมาหาสู่กันได้พอทำไร่ทำนาทาการพอปลูกพืชผลต่างๆได้ก็เพราะว่าคุกเป็นด้านนา ม, มาทําปรากฏขึ้นแล้วก็ดับไปปรากฏขึ้นเมื่อไรก็ดับไปปรากฏขึ้นในชาติใดพบใด ก, ก็ดับไปในชาตินั้นพบนั้น เพราะทุกข์ก็เป็นของไม่เที่ยงจึงเป็นของที่เกิดได้ดับได้เราทั้งหลายจึงลืมสํานึกเรื่องของทุกข์ที่มีอยู่ในกายในใจของเราซึ่งเป็นมาไม่รู้กี่กับกี่กันเป็นธาตุเป็นขันธ์อันเดียวกันนี้แล้วก็เป็นท่อนหรือเป็นเรือนแห่งทุกข์เป็นก้อนแห่งทุกข์เช่นเดียวกันนี้เมื่อแท้ธาตุละลายลงไปสู่ดินน้ำลมไฟ ทุกนั้นก็สลายตัวไปกลายเป็นดินเป็นน้ําเป็นลมเป็นไฟเป็นต้นไม้ภูเขาขึ้นมาซึ่งออกจากธาตุเดิมคือดินน้ํำลมไฟเราก็เลยไม่ทราบว่าทุกคืออะไรแท้ที่จริงมันก็ทุกก็คือก้อนธาตุอันนี้เองแต่เมื่อแปลสภาพจากธาตุมีลงไปแล้วก็เป็นดินน้ําลงไปดินน้ําลงไปจะแปลสภาพเป็นต้นไม้ภูเขา ดินยากอะไรก็แล้วแต่เขาจะเป็นไปตามเรื่องเราจรึงไม่เห็นเรื่องของทุกว่าเป็นไปอย่างไรบ้างทางั้งๆที่เราเนี่ยเป็นผู้แบกภาระของทุกทั้งหลายเหล่านั้นมาตลอดการจนกระทั่งถึงบัดนี้เพราะทุกไม่เป็นด้านวัตถุ จึงไม่พอที่จะทำใจของเราให้เกิดความขยะแขยงต่อทุกข์ที่เกิดขึ้นจากตนเองแล้วเป็นภูเขากั้นเราไว้จนหาที่ไปที่มาไม่ได้ทุกนี้เป็นด้านน่มามโนธรรมจึงเป็นเหตุให้เราเกิดความประมาทเห็นไปใช่ว่าเราไม่เคยทุกมาแต่การในไหน เพิ่งจะปรากฏทุกในขณะที่เกิดทุกเกิดขึ้นนี้เท่านั้นพอทุกดับไปแล้วก็เข้าใจว่าทุกไม่เคยมีเพราะความจำก็หลงลืมไปนี่ท่านก็เรียกว่าโมหะประเภทหนึ่ง น, นี่การพิจารณาทุกให้พิจารณาอย่างนี้ แล้วธาตุขันอันนี้เราตั้งแต่วันเกิดมาจนกระทั่งถึงวันนี้เคยปรากฏทุกมากี่ครั้งเราก็ยังจําไม่ได้และทุกมากทุกน้อยขนาดไหนก็จําไม่ได้ทั้งๆ ท, ที่ทุกนี้มีประจําขันอยู่ตลอดเวลาและนอกจากนั้นทุกยังมีประจําใจอีกด้วยทุกประจำใจนี้เป็นทุกสาคัญเราก็ไม่สามารถจะ จำได้อีกและรู้วิธีแก้ไขทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นจากทางใจถ้าทุกข์เกิดขึ้นจากทางกายและทางใจกลายเป็นขอนสูงไปด้วยกันแล้วยิ่งหาที่ไปที่มาไม่ได้นอนก็นอนอยู่กับกองทุกขอนสูงทั้งท่อนอีกนั่งยืนเดินเป็นขอนสูงไปหมดไม่มีที่ไปอิริยาบถ ท, ทั้งสี่ยืนเดินนั่งนอนเลยใช้การไม่ได้ ยืนก็ยืนไม่ได้เพราะมีแต่ทุกข์หาที่ยืนไม่ได้นอนก็มีแต่ทุกข์หาที่นอนไม่ได้เดินก็มีแต่ทุกข์หาที่เดินไม่ได้นั่งก็มีแต่กองทุกข์เป็นขอนสุงทั้งนั้นหาที่นั่งไม่ได้นี่เมื่อเป็นเช่นนั้นเราจะทอดกายทอดใจของเราไว้ที่ไหน ไม่มีที่ไว้เลยถ้าหากเป็นทุกข์ทั้งทางกายและทางใจเป็นด้านวัตถุกลายเป็นขอนสูงขึ้นมาแล้วริยาบทของเราจะไม่มีใช้แต่นี่เพราะทุกข์เป็นนามธรรมาและทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปจึงเป็นเหตุให้เสริมความนอนใจของเราให้มีกําลังกล้าจนมองดูเรื่องของตัว ไม่พบไม่เห็นทั้งๆที่มีอยู่กับตัวเองนี่ท่านก็เรียกว่าอาวิชชาของมีอยู่ก็ไม่เห็นทุกจนเกิดเพราะเกิดเพราะตายนี้มาไม่รู้กี่กับกี่ครัก้ก็ไม่ทราบว่าสาเหตุมาจากไหนและผลที่ปรากฏเป็นมาถ่ายทอดกันมาเป็นลำดับลาดับก็นับไม่ได้และจำไม่ได้หลงลืมไปหมดก็กลายเป็นคนตื่นพบตื่นชาต ตื่นขอนสูงของตัวเองมีการพิจรารณากองทุกให้พิจรารณาอย่างนี้ยนเข้ามาหลักปัจจุบันกายทั้งท่อนนี้มีชิ้นไหนบ้างที่ทุกข์จะไม่ตั้งอยู่นนไม่มีอีกเหมือนกันเยียวยารักษากันทั้งวันทั้งคืนอิยาบททั้งสี่เป็นยาแก้ทุกข์บำบัดทุกข์ทั้งนั้น นี่เราเห็นไหมว่าทุกมีอยู่ที่ไหนทุกมีจำนวนมากเท่าไหร่ตามที่อธิบายมาให้ฟังแล้วเราจะทำวิธีไหนจึงจะเกิดความขยะแขยงในขอนสุงคือกองทุกซึ่งร้อมรอบตัวของเราหมดจนอิยาบททั้งสี่ย่อนลงที่ไหนไม่ได้ จะเอาปลายเข็มแยงลงไปที่กองไหน <c oughs> ก็ถูกตั้งแต่ขอนสุงคือกองทุกของตัวเองอย่นเข้ามากายของเรานี้อา้าวเราเอาเข็มหย่อนลงที่ไหนลองดูพอจี้ปั๊บเข้าไปก็จะถูกกองทุกแปบขึ้นมาทันทีอู้เจ็บนั่นนี่ก็หาที่แยงไม่ได้เหมือนกันปลายเข็มเล็กนิดเดียว แทงลงไปที่ไหนก็ถูกตั้งแต่กองทุกข์นี่เรื่องกองทุกข์ทางกายก็เหลือกำลังไม่มีใครจะยิ่งกว่าใครไม่มีใครจะได้เปรียบใครในขันอันนี้ว่าจะไม่เต็มไปด้วยกองทุกข์แล้วกายจะสามารถรับ ภาระทุกที่เกิดขึ้นมาจากใจได้อย่างไรกายก็เต็มกําลังด้วยทุกทั้งนั้นใจก็เต็มกําลังด้วยทุกใจกับกายก็ต่างคนก็ต่างแบบภาระของทุกด้วยกันอ่าสรุปลงไปทุกทางกายก็ไหลเทลงไปสู่ใจอีกมีความไม่สะดวกกายไม่สบายในท่านในขันขึ้นบ้างเล็กน้อย ใจก็เป็นเหตุให้เดือดร้อนอาโรคทางใจทุกข์ทางใจก็เริ่มเกิดขึ้นอีกนี่ที่มาถึงเรื่องกองทุกข์ให้พิจารณาอย่างนี้ทุกทุกชิ้นในส่วนแห่งกายของเราตัวได้ทราบว่าเรื่องไปทั้งนั้นมีแต่ตัวทุกข์เท้าลนกันอยู่ทั้งวันทั้งคืน ยิงใจได้รับอารมณ์ที่ไม่ถูกจิตถูกใจได้รับความกระตกกระเทือนก็เพิ่มไปทั้งกองขึ้นอีกภายในใจกินไม่ได้นอนไม่รับอยู่กับกองเพิงทั้งกองอก็เป็นกองทุกข์อันหนึ่งทุกที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เกิดมาจากที่ไหนท่านกล่าวว่าเกิดขึ้นมาจากสมุ ท, ทยัย ท่านกล่าวไว้ว่ากามตัญหาภาวะตัญหาวิภาวะตัญหาความอยากความทะเยอทยานความไม่มีเมียงความไม่มีเมืองพอในทางใจน้ำมหาสมุทรทะเลยังมีฝั่งใจนี้ไม่มีฝั่งไม่มีทำนบอันใดจะกั้นไว้ได้ไหลอยู่ตลอดเวลาล้นอยู่ตลอดเวลาด้วยความอยากความทะยอทยาน นี่ท่านเรียกว่าสมุทักความอยากไม่มีเมืองพอจะอยากในด้านวัตถุก็ไม่มีเมืองพอจะอยากในด้านอารมณ์ก็ไม่มีเมืองพอถ้ า, าว่าพอแล้วซ้ายวัตถุเต็มทั้งโลกธาตุนี้ใครๆก็เห็นอยู่ด้วยตาก็ควรจะมีเมืองพอเห็นก็ไม่พอได้ยินก็ไม่พอ ทางด้านอารมณ์ก็เคยคิดเคยปรุงมาเป็นเวลาเท่าไรนับตั้งแต่วันเกิดมาจนบัดนี้ก็ไม่เห็นมีเมืองพอมีแต่คิดตะบันไปอย่างนั้นไม่มีเวลาหยุดยัง้งน้ามหาสมุทรยังมีเวลาขึ้นเวลาลงแต่น้ำกิเลสน้ำตันหาน้ำาต ม, มูทไทยท่วมท้นอยู่ทั้งวันทั้งคืนไม่มีเวลาหยุดนี่แหละ เป็นเครื่องเสริมทุกทุกจะดับไปได้อย่างไรเมื่อเครื่องเสริมทุกหนูนกันอยู่ทั้งวันทั้งน